ถ้าเราจะเที่ยวกทั้งโลกแล้วก็เป็นผู้ต้องขังมาตลอดเวลาเพราะนั้นคนที่เกิดอยู่ในเรือนจำโตในเรือนจำโตเนี่ยโตในห้องขังจะไม่มีวันออกมาดู โลกภายนอกดูแต่ในห้องอยู่ในห้องขังตั้งแต่เล็กจนโตถึงไม่ทราบว่าภายนอกเขามีอะไรกันความสุขความทุกข์กอเห็นกันอยู่เพียงในเรือนจำไม่ได้ออกมาดูโลกภายนอกเขาหวังเขามีความสุขความสบายเขามีอิสระยังไงบ้าง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 พอเข้าไปสู่ภายในเรือนจำให้ได้เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่แตกต่างจากโลกในคือเรือนจาสิ่งนี้มาจากโลกนอกคือคือภายนอกจากเรือนจำเอามาเทียบเพียงกันพอให้ทราบว่านี่เป็นนั่นนั่นเป็นนั่นอันนั่นดีกว่านี้อันนี้ดีกว่านั่นอย่างนี้ไม่มีเพราะไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องของเรือนจำ สุขหรือทุกข์มากน้อยเพียงไรออยากขาดแคลนลําบากลําบนถูกกดขี่บังคับขนาดไหนก็เคยเป็นมาอย่างนั้นดังด้งดังตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไม่ทราบจะออกไปไหนจะปลดเปลื้มตนไปได้อย่างไงจะออกไปโลกนอกโลกนอกไม่ทราบอยู่ที่ไหนเนีเ่ยเขาหเห็นแต่โลกในโลกถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลากดขี่บังคับเตือนตีกันเนี่ยประมาณกันอย่างนั้น อดๆ อ, อยากๆขาดๆแพันๆตลอดถึงที่นอนหมอนมุ้งอาหารปัดใจอยู่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปนนระเนอลักษณะของนักโทษในเรือนจาทั้งหมดมันก็อยู่กันตายได้เพรามันไม่เคยเห็น ล, กลูกนอกมันเป็นยังไงพอที่จะเข้าไปเทียบเสียง ว่าอันใดดีกว่าอันใดอันใดมีฝึกกว่าอะไรบ้างเพราะที่จะได้มีแก่จิตแก่ใจดอกเตาะแสวงหาดอกออกไปสู่โลกภายนอกจิตที่ถูกควบคุมจากอำ น, นาจแห่งกิเลส อ, อาสวะทั้งหลายมันก็เป็นเป็นนั่นคือถูกคุมขังอยู่ด้วยกิเลสประเภทต่างๆตั้งแต่กลับไหนกนันเลยเช่นเกิดมาในปัจจุบันนี้มันก็มีมาตั้งแต่วันเกิด ถูกควบคุมมาเรื่อยๆไม่เคยได้เป็นอิสระภายในตัวเองเลยถึงยากที่เราจะทราบได้ว่าความสุขที่นอกเหนือไปจากจิตที่เป็นอยู่เวลานี้นคือความสุขอะไรมันเช่นเดียวกับคนที่เกิดอยู่ในเรือนํำมาตั้งแต่เด็กไม่แมนทราบว่าโลกนอกเขามีความสุขความรื่นเริงมันเทิงความสะดวกสบายอิสระของเขาเป็นยางไงไม่เคยเห็น เห็นแต่ถูกกดถูกขี่ถูกบังคับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเครื่องบังคับให้รับความลำบากลำ บ, บนอยู่ตลอดเวลาในจิตใจที่ถูกที่เลืออาสวะทั้งหลายบังคับกดขี่อยู่ตลอดเวลาก็เป็นลักษณะเช่นนั้จนจึงไม่ทราบว่าจะออกทางไหนไปยังไงโลกนอกเป็นโลกยังไงทำท่านประกาศสอนอยู่ปั้งตั้งมันก็ไม่ค่อยจะสนใจแต่บังดี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 มีแต่เดินจาเพราะนั้นเกิดมาโลกนี้มีแต่โลกเดินจาเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่เป็นที่ตายอยู่นี่หมดในจิตใจก็ไม่ทราบว่าอะไรที่จะให้ความสุขความสบายเป็นอิสระยิ่งกว่าความเป็นอยู่เวลานี้ถ้าจะเทียบเข้าอีกแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็ดเล่นงานอยู่ใต้ถึงบ้านถึงเดือนแช่แช่แช่แชอยู่นั่นกี่โซ ก, ก็ตกโซงมงุมขนาดไหนามันก็พอใจเล่น พอมัไม่เคยเห็นน้ามหาสมุทรทะเลไม่เคยเห็นน้าบึงน้ําบ่อที่ไหนที่กว้างขวางที่แบบว่าหางกลางตัวได้อย่างสะดวกสบายมันเห็นแต่น้ำใต้ถึงบ้านถึงเดือนที่เขาเทล่างสิ่งล่างของไปแล้วก็ขังมันมันก็เล่นนั้นก็สนุกสนานออแบบว่าทั้งมันได้ยกสะดวกสบายลุ่นึ่งเพราะเห็นไรเพราะไม่เคยเห็นน้ําที่ กว้างขวางลึกลึกยิ่งกว่านั้นพอที่ให้เกิดความรื่นเริงมันเพิงความสุขความสบายแต่การไปมาหรือการแ บ, บกไม้าขงกลางตัวได้รับความสะวกสบายมันไม่เคยเห็นนั้นก็มีความรื่นเลิงอยู่กับน้ําใต้ถึงบ้านทุนเดือนเป็นธรรมดาของเป็ดประเภทนี้ส่วนเป็ดที่เขาอยู่ตามลําคลองนั้นเป็นอีกอย่างเอมันสนุกสนานเกี่ยาตาม มัวน้องคลองบึงจะของไร่ไะเที่ยวที่ไหนก็ไปเต็มถนนนนทางข้ามมาถึงโอ้โหเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นมันเต็มเป็นร้อยๆเป็นพันๆมันเป็นเป็ดอีปรเภทหนึ่งนี่ได้แก่อะไรก็เที่ยวเข้ามาก็ได้จะจิตที่ไม่เคยเห็นความสุขความสบายความลื่นเรมันเต็มที่เกิดขึ้นจากอาชีพทำซึ่งเป็นเช่นเดียวกับเป็ด เล่นน้ําในลําคลองนิ่งในบึงบางต่างๆด้วยความสะดวกสบายเรามีความสุขก่บความสุกเ้ื่อำนาจของกิเลสบังคับบัญชาอยู่นี้ซึ่งเหมือนกับเรือนจําทีนี้เมื่อจิตได้รับการอบรมจากโลกนอกแล้วเนี่ยอที่นี้โลกนอกหมายถึงธรรมออกมาจากโลกุตตรธรรม นู้นมาทัางแต่ดนนิพพานลงมาโดยลำดับลำดับตนกระทั่งถึงมนุษย์โลกท่านชี้แจงแสดงไว้หมดขั้นหมดภูมิทีเดียวผู้ที่มีปณิสัยมีความสนใจต่อโลกนอกต่อความสุขที่จะยิ่ยงกว่าไปกว่าความเป็นอยู่เวลานี้มีมเมื่อเรายิ่งยั้งอัดยั้งทำแล้วอ่านตามตําหนักตำราเกี่ยวกับเรื่องโลกนอกคือเรื่องอัดเรื่องธรรม เพื่อความปวดเพื่อความทุกข์ความทรมานที่ถูกบังคับขับสายอยู่ภายในจิตใจโดยลําดับลําดับแล้วจิตใจก็มีความรื่นเดิงมันถึงมีความผโภกพอใจสนใจที่อยากฟังสนใจอยากจิตปฏิบัติเกจนปรากฏผลขึ้นมาโดยลําดับลําดานั่นแหละเริ่มเห็นกระแสหองโลกนอกพาดผิงเข้ามาแล้ว้จิตใจก็มีความยินรุนที่จะพยายาม แหวกว่าออกให้พ้นจากความกดขี่บังคับซึ่งมีอยู่ภายใจิตใจอันเรียบเหมือนนักโทษในเรือนจาอันนี้และยิ่งในปฏิบตัติทางหน้านจิตใจมีความสงบขึ้นมากมาเพียงใรความตะเกียบตะกายความอุตส่าพยายามก็ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นสติปัญญาก็ค่อยปรากฏค่อยปรากฏขึ้นมาเห็นโทษแห่งความกดขีบ่บังคับภายในจิตใจเห็นคุณค่าแห่งธรรม ันเป็นเครื่องปกเครื่องและผลเกิดขึ้นจากการปกเครื่องได้ได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นความสบายภนจิตใจเบาอกเบใจหเป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาขึ้นโดยลหดับความอึตสาหความพยายามความอดความทนมาตามๆกันมาทีเดียวสติปัญญาที่เคยนอนจมอยู่ในตักแต่ก่อน <alors S 2> ก็ค่อยฟื้นตัวตื่นขึ้ น, นมาคน้นคิดพิจารณา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 ก็จากใจซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันทั้งโทษทั้งคุณภายในใจนี้แล้วจิตใจก็มีความค้่องแค่วที่จะคิดพินิดพิจารณาเกิดความอาจหานขุดค้นเห็นทั้งโทษพยายามแก้เห็นทั้งคุณพยายามแบบว่ายพยายามส่งเสริมไปโดยลำดับลำดับนี่เรียกว่าจิตค่อยปลดเรืองจากถึงกดขี่บังคับหรือจากรืนจ ออกได้โดยลําดับลำดับยิ่งมองเห็นโลกนอกอีกด้วยแดบดบทิ้งโลกนอกเป็นโลกยังไงเหมือนดนจําที่อยู่ใน น, นีิมมายตาก็ดึกพอมองเห็นโลกนอกเขาเขาเป็นอยู่ยังไงเขาไปมายังไงโลกนอกเราเป็นอยู่ยังไงภายในดนจําำความเป็นอยู่ภายในจิเลศครอบงํา น, นี้เป็นยังไง คามที่เบาบางกิเลสออกไปโดยลําดับลำดับจิตใจมีความรู้สึกยังไงบ้างนี่มันเทียบกันโดยลําดับลำดัทีนี้มีโลกนอกตรงในเข้าเทียบกันได้ที่นี่คือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขกิเลสออกได้เดิมดับครอบรากความทุกข์ที่กิเลส ย, ยังมีบีบคั้นอยู่ก็ทแากทัดเ ห, ห็นดูโทษพยายามแก้ไขอตลอดเวลาไม่ล้นละความภักเพียรนี่แหละสติปัญญาศรัทธาความเพียรเริ่มหมุนตัว ตอนที่เห็นโลกเห็นทั้งโลกนอกมากน้อยและเห็นโทษทั้งโลกในที่กดถูกกดขี่บังคับมาเรื่อยๆแต่ก่อนไม่ทราบจะอะไรมาเทียบมันไม่เห็นไม่รู้เกิดขึ้นมาประจมอยู่ในความทุกข์ความทรมานอย่างนี้ควาขึ้นคือว่าความสุขนั่นไม่ปรากฏจากโลกนอกเลยนี่คือไม่ปรากฏจากอาจจากธรรมเลย่อปรากฏก็ปรากฏแบบความสุขที่ความทุกข์รอยอยู่ฉากหลังที่คอยจะมาหยัดย่าำทำําลาย ที่ล้างความสุขนั้นให้หายไปดูําดับนี้ทีนี้เราได้เห็นความสุขภายนอกก็เห็นโลกจากโลกนอกก็เห็นความทุกข์ภายในก็เห็นความสุขที่ภายในจิตใจมัก็เห็นคือความสุขที่มีที่มีอยู่ที่อยู่ใต้อํานาจของจิเล็กก็เห็นความทุกข์ที่อยู่ใต้อำนาจของจิเล็กก็เห็นรู้โดยสติปัญญาของตนเองประจักษ์กับใจเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกนอกคือได้แก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 พื้นเชื่อว่าเรื่องของกิเลสซึ่งเคยกดขี่บังคับจิตใจแล้วต้องต่อสู้กันทันทีทันทีแก้ไขปลดเปื้องรือร้อถอนกันโดยลําดับเพื่อหน้าแห่งสติปัญญามีความเลี่ยนเป็นเครื่องยืนหลังจิตใจก็หมุนไปเองเมื่อความเห็นโทษมีมากความเห็นคุณมีมากความอยากรู้อยากเห็นอยากหลุกพ้นมีมากเพียงไร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 ความเชื่อต่อแดนพ้นทุกข์รอยะความภาเคเพียรที่จะทำตัวให้ดึุดพ้นไปโดยลดับขันติความอดความทนเพื่อบึกบืนให้ผ่านพ้นไปได้ก็มาเดินแบบมาพร้อมๆกันสตัติปัญญาที่ให้ ค, ควนไปตามแนวทางอันใดถูกอันใดผิดก็มาตามๆกันมานี่ถ้าเราจะพูดตามหลักคํรมที่ท่านกล่าวไว้ก็นเลยว่ามัคคัชมงศี ค่อรวมตัวเข้ามาอยู่ในจิตแห่จิตดวงเดียวนี้อะไรก็รวมเข้าม า, มาทัมมาทิสติสัมมาสังกัโปวสัมมาวาจาสัมมากัมมันตตลอดสัมมาสมาธิรวมอยู่ในจิตดวงเดียวนี้ทั้งหมดไม่ไปที่อื่นสัมมากัมมันตะก็มีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิข้อแรกที่นี้กัมออมันตา ง, งานชอบในทางอื่นมันผ่านมาโดยลําดับพอเข้าถึงงานอันละเอียดรวมเข้ามาจิตเป็นมรรคสมัาธีคือมรรครวมตัวเข้ามาอู่จิตดวงเดียว สมาทิฏฐิสัมมาสังโปรได้แจ้เรื่องของปัญญาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาเสียก็เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องสิ่งต่างๆที่ปรากฏสัมผัดเกิดขึ้นระดับไปทั้งดีทั้งชั่วทั้งอดีตอนาคตที่เข้ามาปรากฏภายในจิตใจสติปัญญาจะเป็นผู้ฟาดฟันหันแหลกไปโดยลำดัแบบไม่รอให้เสียยืดอั้ม เ, เวลานะสัมมาตัมมันตะก็คือนั่งภาวนาเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิในท่าต่างๆกัมมันตะ ก, การงานทอบ ที่เกี่ยวกับทางกายก็ทำแบบนี้เกี่ยวกับทางใจก็วิริยาคือความภาคเพียรเนี่ยธรรมาอาชีวะพูดตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำสนทนากันจะมีแต่สันเเละขั้นทำได้แก่ทาเป็นเครื่องขัดเกลาหรือเป็นเครื่องล้างทำงานล้างพิเลตอาชีวะออกพันธุจิตใจแล้วจะทําด้วยวิธีใดพิเลตถึงจะออกแต่หมดไปโดยสิ้นเชิงนี่ธรรมาวาจาธรรมากัรมันตะธรรมาอาชีวะอารมณ์อันใดที่เป็นข้าศึกต่อจิต เด่ยกว่าเลี้ยงจิตผิด อ, อารมณ์เป็นค่าจิตแต่จิตจิตต้องมีความมัวหมองจิตมีความมัวหมองไม่ใช่ของดีต้องเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจมากน้อยตามส่วนใงจิตที่มีความละเอียดขึ้นไปโดยลำดับอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นยาพิษเลี้ยงคิดไม่ชอบแก้ไขายทันทีทันทีอารมณ์ของใจที่เป็นไปเพื่อความรุนเด้นเป็นไปเพื่อวความขูดความสบายนั่นแหละคืออารมณ์ที่เหมาะสมกับจิตมีนเป็นอาหารที่เหมาะสมเนีเลี้ยงจิตชอบเลี้ยงเข้ามาตรงนี้จิง ธรรมาวายมะเพียงชอบเพียงเพียนอะไรนี่เราก็ทราบท่านบอกเพียงในที่สี่สถานอะไรทันมาพยายามละบากที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปบาปคืออะไรก็คือความเศร้หมอ ง, วองความทุกข์นั่นเองละบาก็คือนะพยายามทั้นรวะวังจะให้บาปเกิดขึ้นก่อนระวงังจิตที่มันจะคิดเที่ยวกว้างเอาเรื่องความทุกข์ความทรมานเข้ามาสื่ใจนั่นเองเพราะความคิดความปรุงนั้นมันเป็นเรื่องของสมุทยัยพยายามระมัดระวังระสรรค์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 ถ้าจิตสงบตัวเข้ามาอยู่นิ่งๆอยู่อย่างสบายไม่ต้องคิดต้องปรุงอะไรซึ่งเป็นเรื่องของงานถ้าจิตให้สบายโดยความมีอารมณ์เดียวหากว่าจิตมันมีความพวเพื่อเพลินต่อการพิจานณาไปมากมายกักองจะยับยั้งไว้ไม่ได้แล้วเอาพุทโธเป็นเครื่องสุดล่าเข้ามาให้จิตอยู่กับพุทโธคําบริกรรมกับพุทโธนี้แม้จะเป็นความปรุงก็าตามแต่เป็นความปรุงในจุดเดียวความปรุงในจุดเดียวนั้นเป็นเหตุที่จะให้จิตมีความสงบ ตัวได้ด้วยคํามปรุงอันนั้นเช่นคําว่า ท, ทุกโถทุกโถทุกโธถามว่าจิตมันจะแยกออกไปทํางานเพราะความเพลิดเพลินในงานงานยังไม่เสร็จเราก็ให้พยายามกํากหนดคาบริกรรมขี่ยึบเข้าไปไม่ยอมให้จิตนี้ออกไปทํางานหรือจิตขั้นที่เพลินต่องานมันเป็นมันมีเถอะไม่ได้แต่จะว่าเถอะมันก็พูดยากรามือไม่ได้หวางนั้นปุ่นหน่อยเรารามือไม่ได้มันจะต้องโดดจปหางานเอาตอนนี้เราต้องให้ หนักแน่นในการบริกรรมบังบคับจิตให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวคือพุโทโธเป็นเครื่องดับยั่งจิตกำหนดพุดโทพโธวุทโธให้มันถี่ยิบยนั้นแล้วกับพุโทพโธกับจิตก็เป็นอันเดียวกันแน่วลงสงบพอจิตสงบลงมาจิตก็สบายปล่อยวางงานอะไรทั้งหมดเย็นขึ้นมาซึ่งภายในใจิตใจนี่คือสมาธิสมา ธ, มาธิที่ชอบในขณะที่จะพักต้องพักอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมาสมาธิเป็นสมาธิที่ชอบ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 เราจะพักนอนหลับกันนอนหลับให้สบายๆในขณะที่หลักไม่ต้องไปยุ่งกับงานอะไรทั้งหมดแต่เวลาทํางานแล้วเราไม่ต้องยุ่งในเรื่องการกินการนอนเราตั้งหน้าทํางานนี่คือว่าทํางานเป็นชิ้นเป็นอันทํางานเป็นมากเป็นตอนทํางานถูกต้องโดยการโดยเวลาเหมาะสมกับเหตุการณ์เ่อเรียกว่าเป็นสมารกรรมตากชอบงานประเภทนี้ชอบไม่ก้าวไายกันเป็นงานที่เหมาะสมเรื่องสมาธิต่อยไม่ได้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 ปัญญาก็ปัญญาอันนั้นแหละแต่ได้รับหินแล้วกําลังของจิตก็มีแล้วเป็นเครื่องหนุนปัญญาจิ้งแทงทะลุไปได้อย่างรวดเร็วผิดกับเราไม่ทักในสมาธิเป็นหไหนๆเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิกับเรื่องปัญญาจิ้งเป็นทำเกี่ยวเมื่อง่นกันไปเดิมดับเป็นแต่เพียงว่าทํางานในวาระต่างกันเท่านั้นวารคนี้จะทําสมาธิก็ทําเสียวาระนี้จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เต็มอัด เป็นทำเต็นเม็ดเป็นหน่วยเป็นพิกฤตกาลังเราก็พิจรารณ า, าให้เป็นเหตุเป็นผลเวลาจะพักก็พักให้เต็มที่เป็นฐานเหมือนกันเวลาฮ ใ, ให้เป็นคนละละเวลาให้ก้าวกากันทั้งจะพิจรารณาทางด้านปัญญาทั้งเป็นห่วงสมาธิเวลาพิจรารณาเนาะในเวลาเข้าสมาธิทั้งจะเป็นอารมณ์กับเรื่องปัญญาอันนี้ไม่ถูกจะปล่อยทางไหนจะทํางานอะไรให้ทําเถออย่างนั้นจริงๆ ให้เป็นชิ้นเป็นอันนี่เหมาะสมถูกต้องที่ว่าสัมมาสมาธิก็เป็นอย่างนี้เองในเรื่องของกิเลสที่ว่ามันเป็นเครื่อกงกดท่วมจิตใจจิตทั้งเรานี้เหมือนเป็นนักโทษกิเลสอาสลัทธ์ทั้าาาทงหลายครอบงำจิตอิต่ตลอดเวลาบังคับทรมานจิตใจมาตลอ ด, ต, ลอดตั้งแต่เกิดมานี่เมื่อปัญญาได้ถอดถอนออกโดยลําดับแล้วมันก็มีความสว่างสไตยขึ้นมา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 พิจารณเาเอาเอันนั้นล่ะเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเป้าหมายของการพิจารณอาอ้าวอันนี้จะสลายลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งผู้รู้มันจะคิดหายจมว่กันก็ให้รู้จะถ bon. ีเราพิจารณาเพื่อรู้หาเพื่อรู้ความจริงให้เห็นเพืขข่อเพื่อเห็นความจริงเพื่อรู้ความจริงให้มันลงถึงเหตุถึงผลถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะคิบหายลงไปให้คิบหายแม้ที่สุดผู้รู้ที่กําลังพิจารณนานี้จะคิดหายตามเขาก็ให้รู้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 มีมากมุนขึ้นมาได้และทําให้ลดน้อยลงไปก็ได้ทําให้หมดชิ่นไปก็ได้เพราะเป็นเร่องของสมมุตินแต่จิตล้วนๆซึ่งเป็นธรรมชาติเดียวกว่าวิมุตถ้าหลุดบริสุทธิ์แล้วเรียวกว่าวิมุตถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นสมมติเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายเพราะสิ่งสมมุตินั้นแทรกตัวของมันอยู่เมื่อได้แก้นี้ออกจนหมดแนะธรรมชาติที่เป็นวิมุตตนี่แหละเป็นธรรมชาติที่จะทําอะไรไม่ไมต่อไปไม่นด้อีกก็ไม่ทราบจะทําอะไรให้เป็นไปได้อีก พราะมันพ้นวิสัยที่จะทํำแล้ววิสัยที่ทําก็มีแต่เรื่องสมมุติเท่านั้นเมื่อแก้สมมติออกจากใจหมืดแล้วมันก็หมดวิสัยและอะไรกิบหายจริงทุกก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปไมโรอดความดับทุกก็ดับไปมักเครื่องประหารสมุทัยก็ดับไป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 นี่ออกโลกนอกแล้วทีนี้ออกจากเือนจำแล้วไปสู่โลกนอกนอกโลกอิสระเสรีโลกไม่ต้องถูกอะไรคุมขังเลยแล้วโลกนี้ไม่มีใครอยากไปต่างเพราะไม่เคยเห็นนี่โลกอันนี้เป็นโลกสำคัญโลกอุตระเป็นแดนสูงกว่าโลกแต่เราเทียบว่าโลกนอกนอกจากสมมติทั้งหมด เราเรียกว่าโลกไปงั้นน่ะเพราะโลกนี้สมมตก็ว่างไปงั้นที่เป็นนมามันออกจากที่คุมขั ง, งเมื่อทีเกยก็เกิดในที่คุมขังอยู่ก็อยู่ที่คุมขังตายก็ในที่คุมขังนัง่นนั่นแหละตายนอกจากเรือนจำสักทีอันนั้มันนอกเรือนจำสักทีในแสนสบายแสยนสบายดำพระพุทธเจ้าสาวกงค์ทั้งหลายท่านท่านก็เกินในเรือนจำเหมือนกันแต่ท่าน ออกมาตายนอกเงินจํนออาออกมาตายนอกโลกหนึ่งไม่ได้ตายอยู่ในโลกกดขีบังคับนี้้ที่จเจนาละการแสดงทํามควรเห็นว่าควรควดขอหยุด